พวกเราเชาวพุทธนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่พึ่งทางจิตใจถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมีวาสนาเป็นอย่างมากที่ได้มาพบมารู้จักกับ อัญญมณีอัญลำค่าคือพัลตนาไตรยพรัลตนาไตรยแปลว่าสามอัญญมณีอัญญมณีก็คือเพชรนิมจินดาของมีค่าต่างๆในโลกนี้ที่ผู้ใดมีอัญญมณีอัญลำค่าแล้วย่อมนำเอาไปซื้อ ความสุขชนิดต่างๆได้ปลดเปล้องความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้การที่เราได้มาเป็นชาวพุทธมานับถือพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนผู้ที่ได้มาพบกับของมีค่ามาหาศาล การพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนกับการถูกกัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกคนเกิดมานี่อยากจะถูกกัตเตรี่รางวัลที่หนึ่งกันทั้งนั้นพระรู้ว่ารางวัลที่หนึ่งนี้มีคุณค่ามาหาศาลที่จะช่วยทําให้เรา อยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอัญมณีคือพระรัตนตรัยก็เป็นอย่างนั้นแต่ดีกว่าลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเราได้เงินรางวัลมาเราก็มาใช้ดูแลได้เพียงแต่ร่างกายของพวกเร า, าซื้อปัจจัยสี่ ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคมาเลี้ยงดูร่างกายของพวกเราให้อยู่กันอย่างสุขอย่างสบายแต่อันยมณีคือรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนานี่ ซื้อสิ่งที่เงินรางวัลที่หนึ่งไม่สามารถจะซื้อได้ก็ซื้อความสุขทางจิตใจนี่เองเราให้มีเงินทองร้อยล้านพันล้านเราให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นปรฒธานาธิบดี เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนิดต่างๆเป็นผู้ที่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็สู้ความสุขที่จะได้รับจากพระรัตนตรัยไม่ได้คือความสุขทางด้านจิตใจ ความสุขทางด้านจิตใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนน้ำในตุ่มมีปริมาณเพียงขนาดของตุ่มน้ำแต่ความสุขของใจนี้เหมือนน้ำในมหาสมุทรมีปริมาณที่ยิ่งใหญ่ กว่าน้ำในร่างกายหลายแสนหลายล้านเท่าด้วยกันนี่แหละคือสิ่งที่พระรัตนใจจะมอบให้กับพวกเราคือความสุขทางจิตใจที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถจะมอบให้กับเราได้ ต่อให้มีความมีความร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังจะไม่สามารถทําใจให้สบายไปได้ตลอดใจของพระเจ้าแผ่นดินใจของมหาเศรษฐีก็ยังต้องเจอกับความไม่สบายใจอยู่ แต่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกนี่ไม่มีการเจอกับความไม่สบายใจความไม่สบายใจต่างๆที่มีอยู่ที่เคยมีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในใจของพระอาหารหันตสาวกได้ถูกกำจัดจนหายหมดสิ้นไป ด้วยอำนาจของพระธรรมรัตนาอระอัญญมณีอันประเสริฐคือพระธรรมรัตตอคือธรรมะหรือเรียกว่ารถแห่งธรรมรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงผู้ที่เข้าถึงรถแห่งธรรมได้จะเป็นผู้ที่กำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ทำให้ใจนี้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่าบร ม, มสุขปรมังสุขขังนิ บ, บานังปรมังสุขขังคือใจของผู้ที่ได้พระธรรมรัตตนะคือได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนั่นเอง นี่แหลความแตกต่างระหว่างความสุขของมหาเศรษฐีของพระเจ้าแผ่นดินกับความสุขของพระพุทธเจ้ากับความสุขของพระอาหารหันตสาวกความสุขของพระเจ้าแผ่นดินของประนาธิบดีของมหาเศรษฐีสุขได้เพียงทางร่างกาย แต่ยังไม่สามารถทำให้เกิดความสุขใจแบบบรมมาสุขได้ความสุขทางจิตใจ ย, ยังขึ้นขึ้นลงลงบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์เนี่ยบางวันก็ไม่สบายใจบางวันก็สบายใจแต่ของพระพุทธเจ้ากับของพระอาหารหันต์นี่สุขทุกวันสุขตลอดเวลาทางด้านจิตใจ ทางด้านร่างกายก็ไม่ต่างจากของมหาเศรษฐีของพระเจ้าแผ่นดินถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีปัจจัยสี่อันปานีดอันวิจิกพิสดานแต่ปัจจัยสี่ของขอทานอย่างพระพุทธเจ้าป้าหลานตสาวกมันก็ทําหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้เหมือนกับปัจจัยสี่ของ พระเจ้าแผ่นดินของประธานาธิบดีอาหารก็เลี้ยงดูร่างกายได้เหมือนกันอาหารของขอทานหรืออาหารของพระเจ้าแผ่นดินกิน้าไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเลี้ยงดูร่างกายได้เหมือนกันที่อยู่อาศัยของพระเจ้าแผ่นดินกับที่อยู่อาศัยของขอทานมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกัน ใด้หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันขอทานอย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี่อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเรื่องผาอยู่ในถ้ำก็หลบแดดหลบฝนหลบภัยได้เหมือนกันที่วสาัยของประธานาธิบดีของพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องอยู่ในราชวงัง แต่มันก็ทำหน้าที่อันเดียวกันเหมือนกันหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้เหมือนกันปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เกิดภัยต่อร่างกายได้เหมือนกันเสื้อผ้าของพระเจ้าแผ่นดินของพระธานาธิบดีกับเสื้อผ้าของพระพุทธเจ้าหรือผ้าอารหันนีมันก็ทำหน้าที่เหมือนกัน ปกปิดร่างกายอวัยวะของร่างกายป้องกันภัยจากอากาศที่หนาวเย็ยนหรือแมลงสัตว์กับต่อยชนิดต่างๆเหมือนกันทาหน้าที่เหมือนกันเลยงดูดูแลเลี้งดูร่างกายเหมือนกันทุกอย่างต่างกันีนความปานีตความละเอียดหรือความพิสดาร ของเสื้อผ้าเท่านั้นเองเสื้อผ้าของพระพุทธเจ้าของผ้าอันังตสาวกนี้ทำมาจากผ้าห่อศพนี่ยผ้าบางสกุลเรียกว่าผ้าห่าศพนะสมัยพุทธกาลนี่พระบวชนี่ต้องไปเก็บผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าชาเอาไว้ก่อนคนตายเขาไม่เผาไม่ฝังเขาเอาผ้าห่อแล้วก็เอาไปทิ้งในป่าชา พอร่างกายเน่าเปื่อยไปผ้ายังใช้ได้อยู่พวกนักบวชก็ไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาซักย้อมมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวร น, นั่นแหละคือเครื่องรืหอห่มของเศรษฐีทางธรรมกลับเป็นเป็นของที่ถูกที่สุดเป็นของที่ไม่มีใครต้องการ ไม่มีใครต้องการผ้าห่อศพกันทิ้งเปืกอนกาในป่าช้าพวกเศรษฐีทางธรรมเนี่ยเป็นผู้ไปเก็บมามาใช้ัป้องกัน ร, ร่างกายดูแลร่างกายนุ่มห่มให้กับร่างกายเนี่คือปัจจัยสี่ของพระเจ้าแผ่นดินกับปัจจัยสี่ของพระพุทธเจ้า แม้นจะต่างกันเหมือนฟ้ากับดินแต่กับทาหน้าที่ได้เหมือนกันปกป้องรักษาดูแลร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้เหมือนกัน อ, อยู่ในวงังอยู่ตามคนไม้อยู่ในถ้ำก็อยู่ได้เหมือนกันกินอาหารในวงังกับกินอาหารบิณฑบาตก็อยู่ได้เหมือนกัน ใส่เสื้อผ้าทำมาจากผ้าหอ่อศพรือทำมาจากผ้าไหมผ้าแพรที่มีคุณค่าราคาก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันไว้หุ้มห่อร่างกายปกปิดอวัยวะป้องกันภัยจากความหนาวเย็นป้องกันจิตภัยจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน ยารักษาโรคของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือน้ำปัสสาวะนี่เรียกว่าน้ำมูดยาดองน้ำมูดมันจะเอาน้ำปัสสาวะนี้ไปดองกับพวกสมอเวลาไม่สบายก็ดื่มยาดองดื่มน้ำปัสสาวะนี้รักษาได้ไม่เชื่อไปดูประเทศอินเดียดูสมัยนี้เ็ายังดื่มน้ำปัสสาวะกันมีอดีต นายกรัฐมนตรีอินเดียตามประวัติท่านก็เดินน้ำปัสสวะของตนเองเป็นเหมือนอา ย, ยาอายุวัฒนะยารักษาโรคภัยต่างๆได้ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์ก็ต้องมียาทันสมัยแต่ของพระพุทธเจ้าก็ใช้ยาดองน้ำมูด เลือสมุนไพรต่างๆพระพุทธเจ้าก็มีหมอหมอชีวกเป็นหมอที่คอยถวายพระโอษฐให้กับพระพุทธเจ้าแต่ท่านใช้ปัจจัยสี่แบบตามมีตามเกิดท่านไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไปกับมันมากจนเกินไปพอเลี้ยงดูรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ถือว่าใช้ได้แล้ววนส่วนปัจจัยสี่ของพระเจ้าแผ่นดินนี้ต้องวุ่นวายมากมายพอสมควรจะสร้างปราสาทราชวังซักหลังนี้ต้องใช้เงินทองต้องใช้บริษัทรบริวารมาสร้างกันอย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันจะสวมเสื้อผ้าพรแต่ละชุดนี้ต้องมีอะไรประดับกัน มีมีลายประดับมีอะไรต่างๆมีเงินมีทองมีเพชรมีลูกอะไรอะไรต่างๆมาติดมาประดับกันวุ่นวายไปก็ทำหน้าที่เหมือนกันเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสดบได้เหมือนกันแล้วเวลาตายก็อายุก็เท่าๆกันไม่ได้ตายไม่ได้อยู่นานไปกว่า ดีไม่ดีอยู่แบบขอทานแบบพระพุทธเจ้ากับมีอายุยาวกว่าอยู่แบบพระเจ้าแผ่นดินฮะดูหลวงปู่หลวงตาบางองค์นี่ท่านอายุเกินน้อยก็มีพระเจ้าแผ่นดินบางองค์ก็อายุห้าสิบหกสิบเก้าสวรรคตไปก็มีนี่พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่า เรื่องของร่างกายนี้ไม่สำคัญถ้าสำคัญพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่แบบแบบนั้นแต่ทรงเห็นว่ามันไม่สำคัญไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับการเล้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเลี้ยงดูพอเอามันมาใช้ประโยชน์ทางจิตใจได้ก็พอร้ามหมายของพระพุทธเจ้าของป้าอรหันนี้ อยู่ที่การเลี้ยงดูจิตใจให้ปราศ จ, จากความทุกข์ต่างๆถ้ามามัววุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายก็จะเป็นการไปสร้างความวุ่นวายให้กับใจเพิ่มขึ้นโดยเปล่าประโยชน์โดยโดยใช่เหตุปกติใจมันก็วุ่นวายพอสมควรแล้วแล้วเรายังมาเพิ่มความวุ่นวายให้กับการกินอยู่แบบ พระเจ้าแผ่นดินอยู่แบบเศรษฐีมันก็ยิ่งสร้างความวุ่นวายให้กับใจเพิ่มมากขึ้นล้วจะทำให้ทุกข์มากขึ้นเสียได้ซ้ำไปเพราะได้ทำอะไรตามใจแล้วพอมันเบือ่อก็จะต้องหาอะไรใหม่แทนที่จะหัดทำใจจิงตามมีตามเกิดก็จะเจ้ที่จุกจิกเอาใจยาก กินไอ้นี่ได้วันสองวันเบื่อแล้วต้องเปลี่ยนเป็นไอ้นูน่นเปลี่ยนไอ้นู่นได้สองสามวันก็เบื่อแล้วหมต้องไปเปลี่ยนไอ้นู่นอีกเปลี่ยนกันไปอยู่เรื่อยๆกินอาหารแต่ราคงของเศรษฐีนี่บางทีต้องขับรถไปเป็นสิบสิบกิโลต้องไปที่ร้านอาหารนั้นร้านอาหารนี้กินร้านนี้นานเข้าแล้วเบื่อต้องเปลี่ยนอีกร้านหนึ่ง ต้องไปเชลชวชนชิมกันอยู่เรื่อยๆเนี่นี่คือการสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวเพราะมาวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายเกินเหตุเกินเห ต, เเหตุเกินผลนั่นเองเกินความจําเป็นเกินเกินความจําเป็นต่อความต้องการของร่างกายร่างกายมันต้องการของที่ทําให้มันอยู่ ได้ก็พอแล้วไม่ต้องอวิจิตพิสดารไม่ต้องละเอียดเป็นของธรรมดาธรรมดาที่หาง่ายนะดูที่สุดพระพุทธเจ้าเห็นว่าอาหารของร่างกายของพระองค์นี้หาง่ายที่สุดก็คือบินทะบาทเดินบินทะบาทโตรสัตว์ ท, ทาประโยชน์หลายอย่าง การบินตาบดนอกจากได้อาหารแล้วยังได้โปรดสัตว์สัตว์ก็คือผู้ที่ยังติดข้องอยู่ในวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทำให้เขาได้มีโอกาสได้ทำบุญทำทานได้สร้างทานบารมีได้สร้างสวรรค์ให้แก่จิตใจจิตใจนี้มีหลายระดับด้วยกัน จิตใจของพวกเราตอนนี้อยู่ในระดับกลางๆไม่สูงไม่ต่ำเนี่ยว่าระดับของมนุษย์เนี่ยถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากระดับมนุษย์เราต้องทําบุญทําทานอถึงจะยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของเทวดาได้และต้องห้ามไม่ให้จิตใจลงต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ถ้ายัง คือด้วยการไม่ทําบาปถ้าทําบาปจิตใจก็จะลงต่ําจากมนุษย์ไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่ตายเนี่ยแต่จิตใจได้เลื่อนลงเปลี่ยนชั้นลงไปแล้วด้วยการกระทาบาปแต่ถ้าไม่ได้ทําบาปแล้วมีโอกาสได้ทําบุญะ เพราะการจะทาบุญนี่ต้องมีคนที่เ้อามารับบุญจากเรามารับการกระทาของเราต้องไม่มีคนยากคนจนขอทานคนที่มีเงินมีทองก็ไม่ได้ทำบุญไปทาบุญกับพวกคนที่มีเงินมีทองด้วยกันเขาก็ไม่ต้องการก็ต้องมีคนขอทานอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย พระพุทธเจ้ามาขอทานมาขออาหารก็เลยทําให้ผู้ที่มีฐานะที่จะแบ่งปันได้ทําทานได้จึงได้รับโอกาสยกระดับจิตใจของตนให้ขึ้นสูงได้จากมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่เทวดาได้ถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานไม่ได้ทําบา ก็จะเป็นเพียงมนุษย์เท่านั้นจะขึ้นสูงเป็นเทวดาไม่ได้แต่พอมีนักบวชมาโปรดมาขอทานไม่ได้มาโปรดมาขออาหารแต่พูดตำหลับทำแล้วก็เป็นการโปรดสัตว์เป็นการปิดโอกาสให้สัตว์ที่ไม่ได้มีโอกาสจะได้ขึ้นสูงได้มีโอกาสขึ้นสูงด้วยการทำบุญทำทาน โดยการแบ่งปันอาหารที่มีอยู่ไม่ให้ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษขอให้แบ่งอาหารที่เรามีรับประทานนี้แบ่งให้กับขอทานบ้างเท่านั้นเองซึ่งส่วนใหญ่บางทีเราก็มีมากทามากกว่าที่เรากินได้อยู่ดีทำแล้วก็มีอาหารเหลืออยู่กินไม่หมดแทนที่จะเสียเอาไปทิ้งก็ เอาไปใส่บาตรแต่ควรจะแบ่งไว้ก่อนไม่ใช่รอให้มันเป็นเศษเป็นเดน่นก่อนเท่านั้นเองถ้าเรารูว่าเรากินแล้วมันไม่หมดเราก็แบ่งไว้ก่อนส่วนหนึ่งแบ่งไว้ให้กับขอทานนักบวชที่ต้องอาศัยผู้ที่มีจะกินแบ่งปันเพราะนักบวชไม่มีเตาไม่มีครัว ไม่มีสมบัติไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพอาชีพของนักบวชนี้อยู่ที่มาพัฒนาจิตใจมาสร้างความสุขทางจิตใจมากําจัดความทุกข์ต่างๆทางจิตใจจึงอาศัยการบินทบาทเป็นการคองชีพเป็นการดำรงชีพได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย นักบวชขอทานนักบวชก็ได้อาหารไปรับประทานอย่างชีพผู้ที่ให้ขอทานก็ได้ยกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงขึ้นให้เป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาเป็นเทวดาด้วยความเมตตาการจะทำบุญทำทานนี้จิตใจต้องมีความเมตตาถึงจะทำได้มีความเมตตาสงสาร ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเห็นเขาหิวก็รู้ว่าเวลาหิวเป็นอย่างไรพอมีอาหารแบ่งให้เขารับประทานทำให้เขาอิ่มใจของผู้ให้ก็จะเกิดความอิ่มใจขึ้นมาสุขใจขึ้นมาเรียกว่าเกิดบุญขึ้นมาทำให้เป็นจิตใจที่มีความสุขมากกว่าเดิม เดิมคือเป็นจิตใจแบบกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเป็นมนุษย์นี่ธรรมดาจะถือจะไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยจะอยากจะสุขอยากจะสุขให้มากอยากจะมีสุขต้องทําบุญทําทานอยากจะไม่ทุกข์ต้องรักษาศีลไม่ทําบาปนี่คือวิธีการเลี้ยงชีพของพระพุทธเจ้าเออ ท่านต้องการทําแบบง่ายสะดวกตามมีตามเกิดเพราะจะได้ไม่ไปสร้างความวุ่นวายใจนั่นเองเวลาทรงบินรบาดก็ไม่ได้ไปหวังว่าวันนี้จะรับประทานอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้เอแล้วแต่จะได้อะไรมาก็รับประทานไปตามมีตามเกิดเป็นการเจริญธรรมที่ จะทําให้ความทุกข์ในใจน้อยลงไปคือความมาักน้อยสันโดษความมาักน้อยสันโดษนี้เป็นตัวที่จะมาคอยกําลาบกาจัดความมากมา ก, มากความจู้จี้จุกจิกเวลามากมากนี่พอได้ไม่พอได้ไม่ตามที่อยากได้ก็จะไม่สบายใจจะเสียใจทั้งๆั้งที่บางที ได้มามากก็กินไม่หมดอยู่ดีแต่ความมากมากมันไม่สนใจว่าจะกินหมดหรือไม่หมดความมากมากมันอยากจะได้มากๆมันกลัวจะอดกลัวจะไม่พอกินนแต่พอกินเข้าไปจริงๆแล้วกินไม่หมดนสังเกตเวลากินข้าวบางทีตักกันเยอะแยะไปหมดพอถึงเวลากินนจริงๆเหลือต้องครึ่งจานกินไม่ลง แ, ลแต่เวลาอยากเวลาหิวนี่มันเห็นว่าโอ้โห อาหารนี้น้อยเหลือเกินไม่พอกินนพอลังกินเข้าไปแล้วทีนี้ถึงจะรู้ว่าโอ้โหนี่เรามากักมา ก, มากเราโลภ ก, กินไม่หมดนนเี่ท้าวเจ้าถึงสอนว่าเราต้องมามากน้อยสันโดษเพราะว่าร่างกายมันไม่ต้องมักการมากตามตามอย่างตามความอยากของเราเรากินครึ่งหนึ่งของความอยากก็เหลือกินแล้วอยู่ได้แล้ว ดีกว่ากินตามความอยากด้วยซ้ำไปเพราะไม่ไปสร้างปัญหาให้กับร่างกายอกินตามความอยากของร่างกายมันก็ทำให้ร่างกายมันมีน้ำหนักเกินเห็นมมีเนื้อมากเกินไปไขมันมากเกินไปมีสารพิษต่างๆมากเกินไปทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาเนี่ยสมัยก่อนอยู่ดอยู่อยู่แบบ อดๆ อ, อ, อ, อ, อ, อยากๆแต่ร่างกายกับแข็งแรงกว่าสมัยนี้อยู่แบบอยู่ดีกินดีร่างกายที่อยู่ดีกินดีนี้พกพาโรคภยัยแค่เจ็บมาเต็มไปหมดนต้องไปหาหมอชนิดต่างๆหมอความดันหมออไขมันอุดตันหมอเบาหวานสารพัดโรคที่เกิดจากการนับประทาน ตามความอยากนี้เองรับประทานตามความมีตามมีตามเกิดแล้วจะมักจะไม่รับประทานมากเกินไปเพราะจะไม่ได้มามากคนสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติสมัยนั้นยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีใครเขาศรัทธาเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันคนระโลกเลยสมัยนี้บิณฑบาตวันหนึ่งนี่กินได้ทั้งเดือน อสมัยพระพุทธเจ้ามันไม่มีไม่มีใครเขารู้จักนะพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้า mm hmm. ก็เป็นพวกเหมือนกับพวกลือสีชีภัยนักบวชทั่วไปที่ไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เขาใส่บาตรมากนะัก mm hmm. เขาใส่ไปแบบอสงสารมากกว่ากลัวจะอดตายมากกว่า mm hmm. เขาก็ใส่ไปพอ พอหอมปากอหอมคอพอให้อยู่พอกินได้เท่านั้นไม่เหมือนสมัยนี้ใส่บาตด้วยความศรัทธาด้วยความปาถนาบุญอย่างแรงกล้าจึงใส่แบบไม่ไม่ไม่สนใจว่าท่านจะเอาไปกินสักกี่วันทั้ง ท, ง ท, งที่รู้ว่าท่านก็กินได้แค่มื้อเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ใส่กันแบบบนบาตเต็มบานร ต้องถ่ายบาทกันไม่รู้กี่สิบครั้งด้วยกันเพราะใจไม่ได้ดูที่ตรงนั้นใจดูที่บุญเชื่อบุญอยากได้บุญมากๆตายไปอยากจะได้ไปอยู่เป็นเทวดาชั้นสูงๆหรือได้ไปสู่อริยภูมิได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงไม่ค่อยได้สนใจกับว่า กับปริมาณของพระกับปริมาณของอาหารอยากจะทําตาม <c oughs> ความอยากต้องการต้องการจะทําอยากจะได้บุญมากๆ ก, ก็เลยมีกําลังที่จะทํามากน้อยเท่าไหร่ก็ทําไปอย่างเต็มที่ เ, เพื่อบุญไม่ได้เพื่อผู้ที่รับประทานอาหารญาติโยมใส่บาตรนี่ไม่ก็ได้เล่งถึงท้องของพระเล่งถึงบุญ <c oughs> ของญาติโยม <c oughs> ถ้าเล็งถึง บุตรท้องของพระคงไม่มีใครต้องมาใส่บาตรกันแอะเอียดอะเอียดยัดเยียดกันเนียก็ <c oughs> คนสองคนใส่ก็พอแล้วพระองค์เดียวท้องท้องเดียวจะไปกินอะไรมากมายนะ <c oughs> นี่คือเรื่องของอการกินอยู่ของผู้ที่ต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจต้องเริ่มต้นที่ความมากน้อยสันโดษในการบริโภคปัจจัยสี่ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างะ้าหลันตสาวกเป็นตัวอย่างสมบัติที่ท่านมีไว้สำหรับดูแลร่างกายปัจจัยสี่ของท่านก็มีแค่อัตถบริขารมีสมบัติอยู่แปดชิ้นด้วยกัน บาทมีไว้สำหรับบิณฑบาตหาอาหารผ้าบางสุกลุลผ้าที่ไปเก็บผ้าห่อศพมาซักย้อมมาตัดเย็บเป็นจีวรเป็นเป็นไต จ, จีวรมีเพียงหนึ่งสำรับก็พอมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าหม่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนมีสามผืน นี่คือเครื่องนุ่งห่มของผู้มีความมากน้อยสัมโดดมีเพียงหนึ่งชุดก็พอลองเปรียกกับญาติโยมเนะี่ยมีกี่ชุดกันต้องหาตู้มาคอยเก็บกันต้องมาคอยซักคอยอะไรกันอยู่วันหนึ่งไม่รู้ใส่กี่ชุดด้วยกันชุดนอนชุดอยู่กับบ้านชุดออกนอกบ้านชุดทำงานชุดไปงาน ต่างๆวันยิงดีไม่ดีใส่สามสี่ชุดด้วยกันต้องมาคอยซักมาคอยรีดอะไรต้องคอยเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นสาระประโยชน์เท่าไหร่อันนี้ทำให้ใจต้องวุ่นวายไปกับเนี่ยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องปัจจัยสี่ของพระนี้พระเจ้าบอกเอาแค่แปดชิ้นก็พอ มีบาทก็อยู่ได้นะมีผ้าสามเผนก็เครื่องนึ่งห่มก็พอแล้วแล้วก็ให้มีที่กองน้าไว้ตักน้าดื่มสมัยก่อนต้องตักน้าตามลำห้วยลำทานซึ่งมีตัวสัตว์ก็ต้องใช้ผ้ากองที่กองพิเศษที่ตักน้ำแล้วจะเอาน้าขึ้นมาเพียงอย่างเดียวไม่ไม่เอาตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วย แล้วก็ให้มีใบมีดโกนมีดโกนไว้สำหรับตองผมหนึ่งเล่มแล้วก็มีเข็มกลัดได้ไว้ซ่อมจีวรเวลาขาดมีที่รัดเอวประคตหนึ่งประคดรัดเอวหนึ่งเส้นเพราะว่าพรนุ่งสมัยก่อนไม่มีซิปไม่มีกระดุมต้องใช้ที่รัดเอวเข็มขัดรัดเอวทั้งนี้ก็อยู่ได้นเนี่ยสมบัติของ ของนักบวชของขอทานไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพ้าบวชใหม่ท่านก็ให้ใช้ให้ท่านก็ให้อนุญาตให้มีสมบัติเพียงแปดชิ้นนี้เท่านั้นเรียกว่าอัฐาบริขารเวลาจะบวชนี้เขาก็จะเตรียมเพียงอัฐาบริขารนี้มีสมบัติอย่างอื่นเขาไม่ให้เอามาบวช ด, ด้วยคนมีคอนโดก็ไม่ให้เอามา คนมีรถเบนก็ไม่แหวมามีเสื้อผ้าทำจากไหมจากประเทศต่างประเทศก็ไม่แหวมาให้เอาแค่อัตถบริขารเพราะว่าพอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายไม่พลุมพลังเพราะพระที่บวชนี้ พอได้ศึกษาพอรู้วิชาการปฏิบัติแล้วบางทีก็ต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวในปา่าในเขา <c oughs> ถ้ามีสมบัติเข้าของเยอะแยะก็ไปไม่ได้ต้องเป็นปูโสมเฝ้าสมบัติห่วงสมบัติเอาไปก็เอาไปไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปไม่ไปทุดง เห็นไหมดูสมัยนี้พระอยู่ในบ้านในเมืองสมบัติท่านเต็มไปหมดะกุฏิของท่านนี้เต็มไปหมดมีอะไรต่างๆไม่ไม่ต่างจากศรัทธาญาตหยมมีเฟนิจุง์ฟอนิเจอร์มีเครื่องประดับประดาอะไรต่างๆเต็มไปหมดอย่างนี้แล้วจะไปทุดงได้อย่างไรไปแล้วเดี๋ยวเกิดใครมาขโมยทรัพย์สมบัติเข้าของไปก็เลยไม่ไปกัน อยู่อยู่ติดที่วัดนะั่นะไม่ต้องไม่ต้องออกทุดงกันก็เลยไม่ค่อยได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเพราะรถแห่งธรรมนี้มันไม่ได้เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนเพียงอย่างเดียวเนี่ะในเมืองส่วนใหญ่นี้ท่านจะเน้นในการศึกษาธรรมศึกษาสามระดับนักธรรมตีโทเอกเสร็จแล้วก็ไปศึกษาบาลี ภาษาเดิมเชื่อเพื่อที่จะย้อเพื่อที่จะรักษาพระธรรมคําสอนที่ได้มีบันทึกไว้ในภาษาบาลีให้คงอยู่ต่อไปแต่การเรียนรู้ธรรมะเหล่านี้ยังไม่เกิดผลยังไม่ทำให้จิตใจได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจ ที่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการปฏิบัติทุดงกรรมฐานเราจึงมีพระทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นขึ้นมาเพราะมีหลวงปู่มั่นนี่ท่านเป็นผู้ที่ออกทุดงศึกษาแล้วท่านก็ไม่อยู่กับวัดในบ้านในเมืองพอท่านดูแล้วว่าต้องออกไปอยู่ไปปีกวิเวกเพราะการที่จะทำจิตใจให้สงบได้ ต้องไปหาที่สงบสงัดกายวิเวกจิตถึงจะวิเวกได้ถ้ากายอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในที่เต็มไปด้วยสิ่งที่รบกวนจิตใจคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆบุคคลต่างๆแสงสีเสียงต่างๆเหตุการณ์ต่างๆจะมาทำให้การทำจิตใจให้สงบ เพื่อได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงนี้เป็นไปไม่ได้พระที่ได้ศึกษาแล้วรู้แล้วว่าถ้าต้องการที่จะสัมผัสกับรถแห่งธรรมต้องการสัมผัสกับรถแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรจำเป็นที่จะต้องไปเปรีกวิเวกไปหาที่สงบสงัดอยู่เพื่อจะได้ จเจริญธรรมคือศีลสมาธิปัญญาให้ได้เต็มร้อยถ้าอยู่ในที่ที่วุ่นวายที่มีภาระเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเดี๋ยวก็จะมีภารกิจของพระในบ้านในเมืองต้องทำเดี๋ยวญาติโยมก็ต้องมานิมนต์ไปงานต่างๆแล้วก็ต้องมีเมนไว้สำหรับเผาศพญาติโยม เดี๋ยวก็ต้องไปสวดศพเดี๋ยวก็ต้องไปสวดตามบ้านญาติโยมขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องไปขึ้นบ้านใหม่กับญาติโยมญาติโยมมีลูกก็ต้องไปมีลูกกับญาติโยมก็เลยไม่ได้ไปปีกเวกไม่ได้ไปเจริญธุดงกรรมฐานที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความสงบให้กับจิตใจก็เลยวุ่นวายไปกับ เรื่องราวของศรัท ธ, ธาญาติโยมเก่งโงกเก่งใจเมื่อศรัท ธ, ธาญาติโยมทํารุบํารุงพระพุทธศาสนาเวลาศรัท ธ, ธาญาติโยมมาขอความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือกันไปเอก็เลยติดอยู่กับภารกิจเหล่านี้สั่งสอนได้ก็เพียงแต่ธรรมะที่ได้ศึกษาที่ได้เรียนมาที่ยังเป็นความเจ็บเป็นความจําอยู่ไม่ใช่เป็นความจริงะ ธรรมะนี่มีอยู่สองแบบความธรรมะที่ศึกษานี่เป็นธรรมะที่เราจดจำเป็นชื่อของธรรมะแต่ไม่ใช่ตัวของธรรมะรู้ธรรมชนิดต่างๆรู้อริยสัจสี่รู้ใตรักรู้อิทธิบาทสี่รู้มงคลสามสิบแปดรู้ไปหมดแต่เป็นเพียงชื่อเหมือนกับชื่อรายการอาหารเวลาไปร้านอาหารเขาก็เอา รายการอาหารมาให้ดูยาโยมก็อ่านไปอ่านไปแต่ญาติโยมไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินรายการอาหารเนี่ยดูพอจะได้สั่งว่าต้องการอาหารชนิดไหนพอสั่งแล้วเขาก็ไปเอาอาหารชนิดนั้นมาให้กินนั่นทำที่เกิดจากการนั่งเรียนก็เป็นเหมือนกับรายการอาหาร ทมที่เกิดจากการปฏิบัติก็คืออาหารที่ทำเอา อ, ออกมาจากในครัวนีน่ต่างกันอาหารที่อยู่ในรายการนี้กินไม่ได้ดูได้จินตนาการได้นึกภาพได้ว่าโอปลาทอดเป็นยังไงไก่ทอดอันนี้ก็เหมือนกันทางเรียนก็จินตนาการได้ว่านึกภาพเป็นยังไงปรามังสุขขังเป็นยังไง การดุดพ้นจากอบายเป็นยังไงเป็นโสดาบันเป็นยังไงไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเจ็ดปีเจ็ดชาติเป็นยังไงก็จินตนาการไปได้แต่มันก็เป็นเพียงการจินตนาการเป็นการจดจำเท่านั้นเองจำชื่อของมันจำชื่อของธรรมต่างๆแต่ตัวธรรมนี้ไม่ได้สัมผัสไม่ได้รับประทานเพราะไม่เข้าไปในครัวไม่เข้าไปทาอาหารเมื่อลก เมื่อต้องการจะกินไก่ทอดก็ต้องเข้าไปในครัวไปทอดไก่เ <c oughs> พอาทอดเสร็จทีนี้ก็จะได้กินไก่นะ้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าต้องการมรรคผลนิพพานต้องไปเข้าครัวครัวของนับผลนิพพานก็คือสถ า, านที่สงบสงัดวิเวกส่วนพวกกระทะพวกง่อ้อก็คือพวกทุตดงกรรมาฐานนี่แหละเป็นเครื่องมือ ที่จะมาผลิตอาหารคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงตุดงนี้เป็นตัวที่จะคอยกำลาบความจู้จี้จุกจั่จุกจิ ก, จ ก, จกความความมากมา ก, มากความไม่มากน้อยสันโดษตุดงสิบสามข้อนี้มีไว้เพื่อที่จะมาะกำจัดความมากมา ก, มากต่างๆเช่น ข้อที่หนึ่งให้บินทบาทเป็นวัดเนี่ยให้ถือการบินทบาทเป็นวิธีหาอาหารมากินเอห้ามไม่ให้ไปสั่งอาหารตามร้านต่างๆเอสมัยนี้พระอยู่ในเมืองท่านมีภารกิจกิจนิ่มนญาติโยมก็ถวายปัจจงปัจจัยมาเอพอท่านจะกินอาหารท่านก็ไม่อยากจะไปเดินบินทบาตนทท่านก็สั่งให้ลูกเสร็จไปซื้อมาอยากจะกินอะไรวันนี้ฮะ กินไก่ทอดก็สั่งให้ลูกศิษย์ไปซื้อไก่ทอดมาไม่ถือไม่ถือการบินธบาตเป็นวัดเนี่ยเพราะว่าเป็นเศรษฐีมีเงินญาติโยมถวายเงินไปไปสวดตามบ้านต่างๆงานเกิดวันงานวันเกิดวันอะไรต่างๆทําบุญถวายของแล้วยังถวายปัจจัยด้วยอยากให้พระอยู่อย่างสุขสบายพระก็เลยสุขสบายตามที่ ญาโยมต้องการอะไรที่เกียจบินทบาทกันเมื่อมีเงินก็ใช้เงินสั่งอาหารได้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าต้องถือการบินทบาตเป็นวัดถ้าอยากจะกินอาหารก็ออกบินทบาทกินตามมีตามเกิดไม่ให้ไปเปิดเมนูดูเลือกว่าวันนี้จะกินอาหารชนิดไหนกินตามแต่ที่จะได้จากการบินธบาต นี่เป็นการอคอยกำลาบความมากักมากๆความชิ้วชี้จุกจิกอยากจะกินนู่นกินนี่แล้วเป็นการช่วยส่งเสริมความเพียรด้วยเพราะต้องเดินเดินไกลในะพระป่าไม่ได้เดินใกล้ๆปกติวัดนี้จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณสองสามกิโลเมตรด้วยกันเดินไปกลับก็สี่ห้ากิโลเมตรอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาชั่วโมงหนึ่ง การเดินบินทบาทของท่านนี่ท่านถือว่าเป็นการเดินจงกรมไปในตัวเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเป็นการทำให้ร่างกายแข็งแรงโลกภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนทำให้มีอายุยืนยาวนานการบินทบาทนี้มีคุณประโยชน์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจทางจิตใจก็ได้ได้ใช้สติค อ, คอยคอยควบคุมตาหูจมูกนิ้นกาย ให้สำรวมไม่ให้ส่งออกไปกับรูปเสียงเก็บนดต่างๆขณะที่ใบบินทบาทอันนี้แหละเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านจิตใจและการเลี้ยงดูร่างกายให้แข็งแรงให้มีอายุยืนยาวนานโลกภัยไม่เบียดเบียนการบินทบาทนี่เป็นวิธีหนึ่ง วิธีที่สองทุดงข้อที่สองก็คือให้ฉันในบาศเห็นไหมพระป่านี่จะฉันในบาศพระบ้านนี่จะฉันในสำรับเนี่ยต่างกันพระป่าถือว่าอาหารเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องจะยากเป็นสำรับมันเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปในปากเข้าไปในท้องก็รวมมันในบาศไปที่เลยหมดเรื่องจะได้ไม่ยุ่งยากแล้วพระป่าก็ต้องล้างบาศเองเนี่ย พระบ้านนี้มักจะมีเด็กมีลูกศิษย์เนี่ยมีญาติโยมมาคอยล้างบาดมาล้างเก็บล้างสำรับอะไรต่างๆของอาหารแต่พระธุดงค์นี้ท่านมีบาตรใบหนึ่งท่านอยู่ในป่าท่านเวลาไปบินถบาต ท, ท่านก็ถือบาตรเข้าไปได้อาหารกลับมาท่านก็กลับมาอง์เดียวไม่มีใครมาช่วยจัดอาหารใส่สำรับท่านก็ไม่มีถ้วยมีชามไม่อะไร ให้เอาแบบเรียบง่ายสะดวกสบายไม่เสียเวลามากานี่าเดียวเสียเวลากับเรื่องกินกว่าจะได้ไปปฏิบัติก็บ่ายนู่นว่ากินเสร็จเดี๋ยวอิ่มก็หนังตาหย่อนหนังท้องตึ๊งหนังท้าดห น, งนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนอีกแทนที่จะไปบินธบากก็คันหาหมอนนอนก่อนพักผ่อนหลับนอนก่อนี่ยแต่ถ้าไปบินธบากเนี่ย อาหารกลับมาก็ได้ไม่มากพอกินพออยู่พอสบายกินในบาทก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปกังวลกับชนิดของอาหารว่ามันจะปราณีตหรือละเอียดกินมันเข้าไปเนี่ยมีวัดป่าสายหนึ่งอยู่ที่ภูพิงอยู่ที่เชียงใหม่วัดของพระอาจารย์ไพโรธท่านอยู่ท่านมีบินธบาทสองสายสายหมู่บ้านชาวเขาแล้วก็สายในวัง เวลาบินธบาตอาหารที่ได้มาจากสองสายนี้ท่านให้ไม่ให้เก็บไว้ถ้าให้ออมมารวมกันใส่หม้อของชาวเขากับของชาววังมารวมกันใส่ในหม้อแล้วก็ต้มมันอุ่นมันให้มันร้อนเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็ตักใส่ตักถวายใส่บาทพระทุกรูปไปกินแบบง่ายๆกินแบบนั้นไม่งั้นเดี๋ยวย่งอาหารกันแย่งสายบินธบาตกัน ไม่มีใครอยากจะไปสายวัดสายสายชาวเขาอยากจะไปสายชาววังกันท่านก็เลยต้องแก้แก้กิเลสของพรนะด้วยการบังคับอาหารที่ได้มานี้ห้ามเก็บเอาไว้เก็บได้เพียงแต่ข้าวเปล่าพระป่านีท่านจะเก็บอาหารได้เพียงแต่ข้าวเปล่าในบาทเท่านั้นเองส่วนอาหารต่างๆนี้ต้องเอามารวมกันที่ส า, าลาแล้วจัดแบ่งถวายครูบาอาจารย์ก่อน แล้วค่อยเลื่อนลำดับลงมาตามลำดับอันนี้จะได้ไม่ไม่ไม่เกิดกิเลสความโลภอยากได้อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพราะเวลาจัดแบ่งแล้วกว่าจะมาถึงเราอาจจะไม่ได้อาหารที่เราจองหมายไวเ้เสร็จแล้วก็ได้ก็เลยไม่ไปหวังอะไรมากกินตามมีตามเกิดไปกินเพื่ออยู่เนี่ยทุ่งชันในบาทแล้วก็ฉันมือเดียวเนี่ยเพื่อ เพื่อไม่กินมากเกินไปไม่ฉันมากเกินไปให้ฉันมือเดียวก็พอจะได้ไม่เสียเวลามายุ่งกับการขบฉันถ้าฉันมือเดียวเดี๋ยวปินตบบาทกลับมาฉันพบเจ็ดแปดโมงกว่าก็เรียบร้อยแล้ะมีเวลาไปปฏิบัติได้แล้วถ้าฉันสองมือเดี๋ยวก็ต้องรอเพนก่อนช่วงรอก็อาจจะไปนอนก่อน พราะไม่มีใจปฏิบัติหรอกเพราะตอนนั้นมันยังกังวลถึงเรื่องอาหารที่จะกินต่ออย่นี้แต่ถ้ากินมื้อเดียวมันก็จบไปจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องอาหารจะได้ไปปฏิบัติได้เลยพอกินเสร็จทั้า ง, ง่วงก็เดินจงกรมก่อนเดินคลายความง่วงไปก่อนแต่ถ้าฉันสงมือเดี๋ยวก็ต้องรอก่อนรอให้ถึงเพนฉันอีกมือหนึ่งก่อนพอฉันเสร็จทีนี้มันก็หนักอื้งแล้วสมันก็ ทีนี้เดินจงกรมก็เดินไม่ออกนะก็ต้องขอพักหน่อนก็เรียกว่าจำวัดก่อน <c oughs> กว่าจะโผล่กมาที่ก็บ่ายพอบ่ายก็มีน้ำปลาน้ามาอีกแล้วเนี <c> ่ย <oughs> มันมันก็เลยไปไม่ถึงไหนสักทีแต <c oughs> ถ้าไปอยู่ในป่าคนเดียวมันไม่มีน้ำปลานกปาเนาะหรอก มีอย่างมากก็มีการน้ําไว้ต้มน้ําอาจจะมีใบชงใบชาหรือมีอสมุนไพรต้มสมุนไพรเดิมเดิมเป็นยาไปเท่านั้นเองก็จะไม่ค่อยวุ่นวายกับเรื่องกินเท่าไหร่เรื่องกินเรื่องดื่มเท่าไหร่จะได้มีเวลามาปฏิบัติกันอย่างเต็มที่นี่ข้อทุดงที่มาไว้กำํำลาบความความมากๆของจิตใจของ พระปฏิบัติท่านต้องใช้ทุดงกันเท่านั้นส่วนใหญ่ท่านจะใช้ฉันในบาทบินทบาทเป็นวัดฉันมืดเดียวเป็นวัดและในช่วงเข้าพรรษาก็ไม่รับอาหารที่ตามมาในภายหลังจากบินทะบาทใครอยากจะถวายต้องถวายตอนที่บินทะบาทที่วัดป่าจึงต้องไปรอเข้าแถวที่หน้าวัดกันเพราะถ้าเข้าไปในวัดแล้วท่านไม่รับอาหารที่เราเอาเข้าไปถวาย ก็เลยไปยืนเข้าแถวที่นาที่หน้าวัดพอพระกลับมาจากบินทบาทจากหมู่บ้านก็เลยต้องมารับบาตรจากญาติโยมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ท่านต้องการน้อยกลับได้มากนะแต่เพราะศรัทธาก็ห้ามไม่ได้เพราะการเป็นการโปรดสัตว์เป็นการเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้ทําบุญได้ยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้น เพราะการที่จะไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี้จำเป็นต้องยกระดับจิตใจให้ขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพระนิพพานนี่อยู่ในระดับที่สูงสุดจากมนุษย์ก็ต้องขึ้นไปเป็นเทพจากเป็นเทพก็ต้องไปเป็นพรหมอจากเป็นพรหมถึงจะไปสู่เป็นการเป็นพระอริยบุคคลได้ เป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาราหันต์จึงได้ถึงขั้นของพระนิพพานได้ดังนั้นจึงห้ามญาติโยมไม่ให้ทำบุญใส่บาตรไม่ได้เป็นเป็นเป็นขั้นบันไดของผู้ที่เริ่มต้นเหมือนกับการเรียนหนังสือก็ต้องเริ่มจากชั้นปฐมหรือชั้นอนุบาลก่อนแล้วค่อยไต่เต้าขึ้นสู่ชั้น มัธยมชั้นอุดมศึกษาตามลำดับต่อไปถ้าญาติโยมได้ทำบุญใส่บาทแล้วจิตใ จ, จก็จะมีความเมตตากรุณาเวลาจะทำอะไรก็จะระมัดระวังไม่ ไ, มไปสร้างความเสียหายให้เดือดร้อนแก่ผู้อื่นการทำบุญก็จะทำให้เกิดศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปรักษาศีลก่อนที่ใจบุญนี้จะไม่เป็นคนใจบาป คนใจบาปนี้จะไม่เป็นคนใจบุญนเให้ทําบุญเพื่อจะได้ระงับความความใจบาปให้มันหายไประงับด้วยความเมตตากรุณาเมตตาก็คืออยากให้ผู้อื่นมีความสุขไม่อยากให้ผู้อื่นเขามีความทุกข์อยากจะบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นเราจะไปทําบาปได้ลงคอได้อย่างไร เมื่อมีแต่ความอยากให้คนอื่นเขามีความสุขก็ขจะไม่กล้าไปทําอะไรให้คนอื่นเขามีความทุกข์เพราะรู้ว่าการทําให้คนอื่นเขามันทุกข์นี่มันมันมันไม่ดีเพราะเราไม่อยากเราเองก็ไม่อยากให้ใครเขามาทําให้เราทุกข์เวลาเวล า, เวลาทําไปเวลาไปทําให้เขาทุกข์เราก็ทุกข์ไปกับเขาด้วยทุกข์ไปอีกแบบก็าอาจจะทุกข์ทางร่างกายแต่เราต้องมาทุกข์ทางจิตใจะ มีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเป็นเหมือนมีแผลอยู่ในใจเวลานึกถึงบาป ท, ที่ทำก็จะสะดุ้งขึ้นมาจะวิตกขึ้นมาจะกังวลขึ้นมาจึงต้องไม่ทำบาปวิธีไม่ทำบาปก็คือทำบุญเนี่ยเวลาญาติโยมทำบุญจึงถึงแม้ว่าจะเกินเหตุเกินผล ก็ต้องทนรับไปญาตโยมอยากจะถวายอะไรก็รับไปแล้วค่อยมาจัดการก็เอาไปทําบุญอีกทอดหนึ่งของที่เหลือพระก็มนุ่งชีเก็บไว้ที่ไหนก็ปาไปสงเคราะห์คนที่เขาตกทุกข์กได้ยากต่อไปเหมือนสมัยที่หลวงตาท่านอยู่เวลาท่านไปไห น, นี่ท่านจะขนข้าวของจากวัดไปไปแจกชาวบ้านไปแจกวัดจากพระที่ขาดแคลนท่านชอบไปเยี่ยมวัดที่ไกล ว่าที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ขาดแคล น, น, นทางด้านปัจจัยสี่ท่านจะไปคอยส่งสเบียงไปให้ส่งอาหารแห้งส่งอะไรไปว่าเวลาไปอยู่ที่ไกลๆอยู่ที่สงบวิเวกมันจะไม่ค่อยมันห่างไกลจากความเจริญศรัทธาญาติโยมก็เป็นชาวบ้านยากจนไม่มีอาหารอะไรวิเศษวิโสใส่ให้เวลาท่าน ท่านเคยสมัยท่านปฏิบัติท่านก็รู้ว่าเป็นยังไงตอนที่ท่านไปปีกวิเวทท่านก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ท่านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคเพราะท่านต้องการอย่างนั้นแต่ถ้ามีอะไรมาเสริมบ้างก็จะดีก็เลยส่งสเสบียงไปส่งน้ำปานะส่งน้ำชากาแฟไปส่งน้ำตาลอะไรไปสมัยก่อนท่านจะไปคอยส่งสเสบียง ถ้าสังเกตเห็นว่าวัดนี้เป็นวัดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะคอยสนับสนุนส่วนชาวบ้านท่านก็มีของแจกให้ชาวบ้านเข้าไปเพราะว่ามันได้มาจากกาลังศรัทธาของศรัทธาญาติโยมที่ทำบุญกันอย่างล้นหลามนั่นเองดังนั้นญาติโยมก็ทำไปเถอะถ้าอยากได้บุญก็ทำไป ดีกว่ามาคอยดูว่าโอ๊ยพระวัดนี้มีมากแล้วอย่าทาดีกว่าไปทาพระที่ไม่ไม่มีดีกว่าพอไปไปทาว่าวัดพระที่พระที่ไม่มีก็เห็นว่าท่านไม่ค่อยเรียบร้อยก็ไม่อยากจะทําอีกเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำสักวัดหนึงวัดดีก็มากเกินไปวัดที่ไม่มีก็เป็นพระไม่ค่อยดีอะไรไม่รู้จะไปทาวัดไหนดีอย่าเลือกทาวัดที่ดีไปเถิดถึงแม้ว่าจะมีมากก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะสิ่งที่ท่านได้ท่านไม่เก็บเอาไว้หรอกท่านไม่ได้ม า, าหวังเป็นเศรษฐีจากเข้าของเงินทองที่ศรัทธายาดโยมถวายมาพระที่ดีพระที่มาบวชนี้ท่านไม่ได้แสวงหาราบส ก, การะหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านต้องการอริยทรัพย์ท่านต้องการทรัพย์ภายในต้องการโสดาปติมัคโสดาปติผล โสดาซับสกิดาคาสั์อนาคามีสัพอารหัตสัพเนี่ท่านต้องการรัพ์เหล่านีน้สมบัติข้าวของเงินทองที่ได้จากศรัทธา ญ, ญาติโยมท่านก็จัดการแจกจ่ายไปไม่เก็บเอาไว้อนี่คือบางทีคนคนที่ไม่ได้รู้เรื่องบางทีเข้ามาเห็น เวลาบินทบาทโอ้ยพระได้อาหารเยอะแยะเปดิดแล้วจะเอาไปทำอะไรกินก็กินไม่หมดญาติโยมก็ใส่กันแบบล้นหลามทำไมต้องใส่กันล้นหลามพวกนี้เขาก็มองไม่เห็นบุญเขาเห็นแต่อาหารกับความต้องการมันมันไม่สมดุลกันพูดง่ายๆคืออาหารมากกว่าผู้ที่จะรับไปบริโภคได้แต่เขาก็ไม่เห็นว่า ผู้ที่รับไปแล้วก็ไม่ได้สะสมไม่ได้เก็บเอาไว้ก็เอาไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากขาดแคนต่อไปนั้นกนารทำบุญไม่สูญหายไปทั้งด้านทาัทง้งทั้งทางด้านเข้าของทงั้งทางด้านจิตใจจิตใจก็ได้บุญทำ ม, มากก็ได้บุญมากส่วนของที่ทำ ม, มากก็ไม่ได้เอาไปฝังดินกบดิน ก็เอาไปทำประโยชน์ต่อให้ผู้ที่เขาขาดแคลนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนสังคมเราจะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีการช่วยเหลือกันการดูแลกันถ้าต่างคนต่างเอาตัวรอดสังคมจะเป็นสังคมที่แร้นแค้นและอาจจะเป็นสังคมที่มีภัยต่อกันในเมื่อเขาอดอยากขาดแคลนเขาก็อาจจะต้องมาขโมยข้าวของเงิน แต่ถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ให้เขาพออยู่ได้เขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรักไปขโมยไปป้นไปที่ข้าวของเงินทองจากผู้ที่มีสังคมเราอยู่ร่วมกันต้องดูแลกันช่วยเหลือกันตามกำลังของเราถ้าถ้าวัดมีมากเกินไปก็แบ่งไปทำบุญที่อื่นก็ได้ทำบุญที่โรงพยาบาลที่โรงเรียนก็เป็นบุญเหมือนกัน ยกระดับจิตใจให้เป็นเทวดาได้เหมือนกันไม่ต้องทำกับวัดอย่างเดียวถึงจะไปสวรรค์ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ไปสวรรค์ได้ทำบุญกับโรงเรียนก็ไปสวรรค์ได้เราจะทำให้จิตใจมีความเมตตากรุณาทำให้รักษาศีลได้ง่ายจะไม่จะไม่ยากเหมือนกับคนที่ไม่ทำบุญคนที่ไม่ทำบุญนี่จิตใจจะไม่ค่อยมีความเมตตากรุณา เวลาทำอะไรก็ทาเพื่อประโยชน์ของตนไม่กังวลไม่สนใจว่าจะไปสร้างทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ดังนั้นการที่จะยกระดับจิตใจได้ต้องยกด้วยการทำบุญทาทานแล้วก็จะทำให้รักษาศีลได้เมื่อรักษาศีลได้ก็จะไปการไปภาวนาต่อได้ไปทำจิตใจให้สงบจากการฝึกสมาธิ จากการศึกษาธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้ยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยะเจ้าทาบุญทาทานรักษาศีลห้า้าก็ไปเป็นเทวดาพอเพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดไปฝึกสมาธิก็ขึ้นไปสู่ระดับสวรรค์ชั้นพรหมะจากสวรรค์ระดับชั้นพรหมก็สามารถไปต่อ สู่สวรรค์ของพระ อ, อริยเจ้าได้เมื่อมีการศึกษาใช้ปัญญามิปัสสนาภาวนาพิจารณาตรักพิจารณาอริยสัจสี่ก็จะปล่อยวางความอยากความโลภต่างๆได้กำจัดความโลภความอยากที่พาให้มาทุกมาเวียนว่ายตายเกิดได้พอสิ้นกิเลสก็ถึงพานิพาน ที่ไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือรางวัลของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเราจะได้รับกันเมื่อเราถูกลัตเตอรี่แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือต้องไปขึ้นรางวัลกันเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเราจะเราก็ต้องไปรับรางวัลของชาวพุทธไปรับมาผลนิพพานด้วยการศึกษาพระธรรมคาสอน แล้วก็เอาพระธรรมคาสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติที่ส่งสอนให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาพอเราได้ทำตามที่ได้ทรงสั่งสอนแล้วเราก็จะได้รับรางวัลตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ถึงขั้นพระนิพพานอย่างแน่นอนนี่คือวาสนาบุญบรารมีของชาวพุทธเรา เกิดมาแล้วอย่าตายเปล่ารีบไปขึ้นรางวัลเสียใครคนที่ไปขึ้นรางวัลเขาก็แฮปปี้กันทุกคนดูครูบาอาจารย์ต่างๆเห็นท่านล้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจท่านมีแต่ความสุขตลอดเวลาปรมังสุขขังนี่แหละคือรางวัลของชาวพุทธเราที่เราจะได้รับกันถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพทธเจ้า การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอยาขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกเปเรนติสาขังเอวะเมวะอิตทินังเปตานาังอุปปกับปติอิธิตังปธิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตา สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามณิสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารโขวินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานาสีลิษะนิจังวุฒาปัจจายิโน กตาโรธรมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางังต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกเราก็ไม่ไม่รับคำถามวันนี้ทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะ ทางเ a c e b o o สองร้อยเก้าสิบยูทูบสามร้อยเก้าวิทีุออนไลน์สิบเจ็ดรับฟังบนเขา่า3สามสิบหกรวมทั้งหมดหกร้อยห้าสิบสองคน ค, ะค่ะถ้าไม่อยากจะทมเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าทางบ้านมีคำถามก็ถามได้เลยค่ะคำถามจากคุณสุปันป น, นาค่ะ เดิมปกตินั่งสมาธิแม้มีอะไรผ่านเข้ามาในจิตก็สักแต่ว่ารู้หรือแม้กระทั่งสภาวะธรรมเกิดเปลไฟลุกโชนอยู่บริเวณจุดสมาธิหรือเ ก, เกิดแสงสว่างจ้าก็สักแต่ว่ารู้เพราะเมื่อมีเกิดขึ้นก็มีตั้งอยู่ระดับไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดอาการปวดตรงจุดสมาธิขั้นรุนแรงมากจนต้องเข้าโรงพยาบาล หมอได้ทำการเช็คซีทีสแกนเอเช็คความดันในสมองจากน้ำในไขกระดุกสันหลังแต่ไม่พบสาเหตุหรือสิ่งผิดปกติใดๆร่างกายปกติทุกอย่างหมอเพียงแต่ให้ยาบรรเทาปวดมาทานบรรเทาปวดตามอาการระหว่างรักษาตัวก็เกิดอาการปวดหัวรุนแรงขึ้นมาอีกก็ได้แต่ทานยาแก้ปวดที่คุณหมอให้ดังนั้น จึงเข้าห้องพราและฝืนนั่งสมาธิในตอนอาการปวดรุนแรงอาการปวดกลับทุเลาลงอย่างไม่น่าเชื่อไม่ทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสภ า, าวะทำไหมอย่างไรเจ้าคะ่ะเป็นสภาวะที่ขาดสตินั่นเองเวลาฝึกสมาธิถ้าเราไม่ควบคุมจิตเดี๋ยวจิตมันจะสร้างอาการต่างๆขึ้นมารบกวนเราได้ให้เวลานั่งต้องมีสติ ต้องมีอะไรคอยควบคุมใจเช่นพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปอย่านั่งดูจิตแล้วดูอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะสอกกลับได้ตอนต้นมันก็อาจจะปรากฏอาการที่น่าดูน่าชมเดี๋ยวตอนหลังมันก็จะสอกกลับเราทำให้เกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาได้งั้นอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ ผลิตลิตขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิให้เราอยู่กับสติอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปอย่าหยุดจนกว่าจิตจะสงบอาการต่างๆหายไปหมดถึงจะหยุดได้ถ้ายังมีอาการต่างๆอย่าไปนั่งดูอย่าไปกาหนดรู้สัตธว่ารู้เนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกสักตธว่ารู้แบบนี้สติเรายังควบคุมมันไม่ได้ ต้องให้มันว่างก่อนแล้วค่อยสักแต่ว่ารู้เอรู้ว่าตอนนี้ว่างแล้วไม่มีอะไรให้รับรู้แล้วเนือแต่ความว่างเนือแต่ผู้รู้อย่างนี้ก็สักแต่ว่ารู้ได้แต่ถ้ามีอะไรกําลังปรากฏอยู่อย่าเพิ่งไปสักแต่ว่ารู้ถ้าเราไม่แน่จริงถ้าสักแต่ว่ารู้จริงมันต้องไม่ไม่มีปฏิกิริยากับมันเดี๋ยวพอมันเจ็บปั๊บนี่วิ่งไปหาหมอแล้วเนี่ย เนไหมไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ไม่สักแต่ว่ารู้แล้วเห็นไหมตักแต่ว่ารู้ก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแลเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปอถ้าแน่จริงมันไม่แน่จริงเลยสักแต่ว่ารู้พอเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็วิ่งหาหมอวุ่นไปหมดหมอก็บอกไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าเสียได้ซ้ําไปเพราะมันเป็นอาการของจิตเนะฉะนั้นต้องระวังเนี่ยก่อนที่นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้ากระเพาะ อ, อย่างเนี้ย ว่าไม่มีสติคอยควบคุมใจไว้พอเจ็บปวดมากๆก็เลยกลับมานั่งสมาธิใหม่ทีนี้มาพุโทโธใหม่ทีนี้มันก็หายได้ดงั้นต้องมีสติคอยควบคุมใจอย่าให้มันปรุงแต่งว่าปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวมันต้องมาผลิตอะไรต่างๆที่เราไม่อยากได้กันเราจะไม่รู้จะแก้อย่างไรวิธีแก่ก็คือควบคุมจิต ด, ด้วยสติพุโทโธพุโทโธไป ถ้ามีอาการไม่ดีปรากฏหรือดีปรากฏก็อย่าไปสนใจพุดโธพุดโธรไปสิ่งที่เราต้องการคือความว่างความสงบเราต้องการอุเบกขาสักแต่ว่ารู้จริงๆเนี่ยต้องอุเบกขาถึงจะเรียกว่าสักแต่ว่ารู้จริงๆเฉยจริงๆไม่วิตกไม่กังวลไม่มีรั ก, ไ ม, มกไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงครับอันนี้ต้องรอให้จิตสงบอย่างเต็มที่มันถึงจะปรากฏขึ้นมาได้ ค่ะคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามบนเข่าค่ะสัญญาจะลืมปัญญาจะไม่ลืมจะทําอย่างไรให้สัญญาเป็นปัญญาคะก็ต้องไปเจอของจริงรสิไปดูอาหารในในในรายการอาหารกลับไปดูอาหารในครวัวมันไม่เหมือนกันแล้วได้กินแล้วมันไม่มีวันลืมเนี่มารสชาติมันเป็นยังไง แต่ถ้าดูในเ ม, เมนูแล้วนึกไปว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ลืมได้เพราะมันไม่ได้เป็นของจริงอยากจะค้องเจอของจริงก็ต้องไปดูอยากจะดูสุภะก็ไปดูที่เขาผ่าศพดูไปเยี่ยมปา่าช้าไปดูซากศพถ้าดูอย่างนี้แล้วมันจะติดตาติดใจไปจนวันตาย <c oughs> แต่ถ้าเพียงแต่คิดถึงซากศพคิดไปเฉยๆอย่างนี้มันก็ เป็นเพียงแต่ความจำเดี๋ยวก็ลืมเนี่ยยังต้องไปเจอของจริงอยากจะของเห็นของจริงก็ต้องไปเจอของจริงแล้วมันจะไม่มีวันลืมเนี่ยคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามบนเขาค่ะทุกวันนี้มีสะชลอวัอ a n t ี้เอจจิงทำให้ร่างกายอยู่ได้นานขึ้นนะับเป็นสิ่งที่ควรไปใช้บริการหรือไม่เจ้าคะนานไม่นานมันก็ตายอยู่ดีนะมันก็ไม่ ดูที่สถิติคนที่อยู่อายุยืนยาวนั่นเท่าไหร่ร้อยสิบปีณช่วงนั้นเป็นยังไงงอมจะทั้งทางทอะไรไม่ได้อยู่แบบนั้นอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราจะอยู่ต่อถึงร้อยยี่สิบปีเราก็อยู่ได้แต่อยู่แบบนั้นเราไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเราอยู่เพื่อทำประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยการอยู่ของพระพุทธเจ้านี้ ตั้งแต่ท่านตัดสรตนี้ท่านไม่ได้อยู่เพื่อตัวท่านนะท่านอยู่เพื่อสั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกแล้วถ้าท่านอยู่แล้วไม่สามารถทำหน้าที่ได้ท่านก็ออกไม่อยู่ดีกว่าพอท่านอายุใกล้แปดสิบท่านเห็นสภาพสังขารว่ามันเริ่มจะไปแล้วท่านก็บอกว่าเราจะไม่อยู่แล้วนะบอกอาห น, นุนสามเดือนจากนี้ไปเราจะเราจะจากพวกเธอไปแล้วเราจะไม่ไปยืยดยืมมัน ยื้ยืยมันจ ะ, จะกลายเราก็จะกลายเป็นภาระแทนที่จะมาเป็นมาช่วยแบ่งเบาภาระกลับมาสร้างภาระให้กับสัตว์โลกต้องมาคอยเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าร่างกายมันไม่มีความสําคัญอะไรอยู่ไปอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปก็เพื่อถ้ามีกิเลสก็เพื่อสะสมกิเลสให้มีมากขึ้นนั่นเองถ้ามีธรรมก็เอามาเอาธรรมมาแบ่งปันให้กับผู้อื่น แต่ถ้าเมื่อร่างกายมันไม่สามารถทำหน้าที่ได้ไปอยู่ไปทำอะไรอยู่ไปก็เป็นภาเรืของของอนนท์ระอนนท์ก็จะไม่ได้บรรลุธรรมตอนที่สามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปแล้วอาจจะต้องรออีกสี่สิบปีพระนั้นอนนท์ก็ก็อาจจะแก่อาจจะไปภาวนาไม่ไหวแล้วก็ได้ฉะนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องของร่างกายอยู่ไปตามธรรมดาเลย ตามตามบุญตามกรรมมันจะอยู่ได้เท่าไหร่ก็อยู่ไปกินอาหารก็กินอาหารตามปกติคืออาหารที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษก็พอแล้วไม่ต้องไปหาอาหารเสริมชนิดนั้นชนิดมีมากินหรอกดีไม่ทีถูกเ้าหลอกแล้วอาหารที่จะมาเสริมมันอาจจะกลายเป็นพิษขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ก็ได้ไหนเมื่อเขายังไม่มีการวิจัยกันอย่างทั่วถึงก็เลยไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงเดี๋ยวกลายเป็นถูกหลอก แล้วแทนที่จะอยู่ยาวกับกับตายขึ้นเร็วขึ้นก็นได้นฉะนั้นอยู่ตามปกติถ้ากินอาหารตามปกติเนี่ยที่เขาขายตามท้องตลาดเนี่ยซื้อมากินให้รู้จากเมื่อ ก, กินว่าอาหารชนิดไหนเป็นพิษก็อย่าไปกินมันเป็นโทษกับร่างกายก็อย่าไปกินมันกินอาหารที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายเป็นประโยชน์กับร่างกายก็พอแล้วแล้วก็อย่าขี้เกียจเทะนะ้ขยันออกกําลังกายแล้ว ปัจจัยที่จะทำให้ร่างกายอยู่ได้นานส่วนหนึ่งก็คือความขยันพยายามให้ร่างกายทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆออกกำลังกายมีการเคลื่อนไหวมีอะไรแล้วก็ต้องมีการรักษารักษารักษาจิตใจให้ใหดีทางแพทย์สมัยใหม่เขาก็บอกว่ามีสูตร4อหรือ5อนะ คือหนึ่งอาหารอาหารต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์สะอาดไม่มีพิษมีภัยสองอากาศก็เหมือนกันอากาศสะอาดไม่มีพิษมีภัยสามออกกําลังกายสี่อารมณ์จิตใจต้องสงบห้าก็อุจจาร ะ, ะคือต้องถ่ายสบายต้องถ่ายเป็นปกติไม่ท้องผูกไม่ท้องเสียถ้ามีสูตรห้าโยนี้ก็อยู่ไปแล้วพอแล้วจะเอาอะไรมากมายนะ มีแต่คนเขาไม่อยากจะอยู่กันคนฉลาดเขาไม่อยากจะอยู่อ ย, อยู่แล้วทุกข์อยู่ไปทำไมแบกภาระเนี่ยภาระฮาเวปัญจขันธาพระพุทธเจ้าบอกว่าขันธ์ห้านี้เป็นภาระหนักอย่างยิ่งก็คือร่างกายนี่แหละเป็นภาระต้องคอยเลี้ยงดูมันเต่้งขึ้นมามันก็ร้องวปวดท้องฉี่แล้วต้องเข้าห้องน้ำแล้วหิวนู่นหิวนี่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องอาบน้ำอาบทาแต่งเนื้อแต่งตัวให้มัน วุ่นวายไปทั้งวันกับการเลี้ยงดูร่างกายพอไม่มีร่างกายแนละ้วโอ้สบายหายห่วงงั้นร่างกายมันมีประโยชน์เองแต่เอามาปฏิบัติธรรมเท่นั้นเองแต่ถ้าไม่เอามาปฏิบัติธรรมก็เท่ากับปไปส่งเสริมกิเลสตัณหาถ้าอยู่แบบนั้นก็อยู่อยู่ไปเสียเสียเวลาเปล่า เพามาสร้างพบสร้างชาติให้กับจิตใจเพิ่มมากขึ้นไปไม่ได้มาตัดพบตัดชาติอ่ต่อไปค่ะคำถามจากคุณสุทัศนีหนูฝึกเจริญพรมวิหารสาี่ตามที่พระอาจารย์สอนทุกวันค่ะมีเมตตากรุณามุทิตาแต่ยังไม่สามารถฝึกกูเบกขาได้เพราะหนูยังฝึกสติไม่พอใช่ไหมคะ มีวิธีฝึกอุเบกขาอย่างไรบ้างเจ้าคะก็มันพุโทโธไปทั้งวันเนี่ยพอเวลาไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้พุโทโธไปพอมันจะคิดเพราะเจ้อเพร้อฝันก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปยังจิตให้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอย่าปล่อยให้มันไปอดีตพอคิดปั๊บมันต้องไปอดีตและอนาคตแล้วเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ะมันก็เกี่ยวกับอดีตและอนาคตแล้ว พยายามปล่อยดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้จิตว่างให้สักแต่ว่ารเราจะทําให้มันว่างได้ก็ต้องใช้พุทโธคอยลบความคิดต่างๆจิตเราเป็นเหมือนกระดานดำนํำในห้องเรียนใช่ไหมอาจารย์เวลาสอนนีอาจารย์ก็เขียนใหญ่เขียนใหญ่เลยเขียนเสร็จเวลาอาจารย์คนใหม่เข้าห้องก็ต้องลบออกไปให้หมดนให้มันว่างจิตเราก็เหมือนกันเวลาคิดมันก็เหมือนกับเขียนบนกระดานกระดานดําเนี่ย คิดมากๆมาเลยทําให้ฟุ้งซ่านขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับเพื่อนเกิดอารมณ์ต่างๆแต่ถ้าเราคอยลบมันด้วยอย่างลบเนี่ยเอคือพุทโธพุทโธเนี่ยมันก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอไม่คิดเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้กระดานดําก็จะว่างใจก็จะว่างพอว่างแล้วก็เบาสบายเย็นเป็นอุบเบกขาได้ขึ้นมาเลค่ะคําถามจากผู้ฝากถามบนเขาค่ะ ทะเลาะ ก, กับคุณแม่ค่ะท่านไม่เข้าใจทำอย่างไรดีคะเป็นทุกข์มากค่ะเราเป็นลูกเราอย่าไปทํำสงครามกับแม่สิเราต้องยอมแพ้แม่ยกให้แม่คนหนึ่งเรามีหน้าที่เลี้ยงดูแม่สนับสนุนแม่ช่วยเหลือแม่เราไม่มีหน้าที่มาทะเลาะ ก, กับแม่เอแม่เขาจะว่างไงเราก็ฟังไปเฉยๆไปไม่ต้องเถียงส่วนจะทําตามหรือไม่นะี้อยู่ที่เหตุผลว่าควรจะทําหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ทําก็ได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องไปเถียงไปบอกว่าแม่ผิดแม่ไม่ดีอย่างงาู้นอย่างนี้มันจะทําให้แม่ก็เสียใจแล้วทําให้แม่ก็ต้องคอยตอบโต้เราเถียงกันไปเถียงกันมาเราเป็นลูกพยาบาลมองแม่เหมือนครูอาจารย์เวลาครูอาจารย์นั้นพูดอะไรลูกเสร็์ไม่ตอบโต้ไม่ไม่โต้เถียงนับฟังไปอย่างเดียวส่วนจะไปทําตามหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่ง ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ไปสนใจว่าจะทําหรือไม่ทําผู้บาอาจารย์มีหน้าที่บอกหน้าที่สอนก็พูดไปแม่มีหน้าที่สอนลูกก็ต้องสอนไปถึงแม่ลูกจะแก่วัยเป็นเป็นคุณย่าคุณยายแล้วเขาก็ยังเป็นเราก็ยังเป็นลูกในสายตาของแม่อยู่นั่นแหละอย่างนี้เราก็ต้องเอปล่อยให้แม่เขาสอนเขาพูดไปส่วนเราจะทําหรือไม่ทำํำนี้อีกเรื่องหนึ่ง อย่าไปเถียงกันไม่จำเป็นจะต้องเถียงกันนั่งฟังไปไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องทำตามก็ไม่ว่าอะไรท่านจะว่าก็ปล่อยท่านว่าไปแต่เราอย่าไปเถียงอย่าไปตอบโต้ไปนันขัดไม่ใช่หน้าที่ของลูกหน้าที่ของลูกคือเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพ่อแม่จะทำตามหรือไม่ก็อยู่ที่เหตุผลว่าถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควร คำถามที่สองค่ะเวลาเราทำบุญต้องกวดน้ำและตอนพระท่านยถาถแต่ยังอุทิศไม่ทานต้องทำอย่างไรดีคะเพราะท่านสัพพีก่อนค่ะออไม่ต้องหรอกอันนี้เป็นพิธีกรรมเขาสร้างขึ้นมาเองการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้พระมาสวดพอทาบุญเสร็จเกิดความอิ่มใจสุขใจก็อุทิศไปได้เลยในใจตั้งจิตขึ้นมาอธิษฐานมา อออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้ารอรับส่วนบุญอยู่ก็ขอมารับไปได้เลยอันนี้ก็ถึงแล้วไม่ต้องมีน้าไม่ต้องมีพระมาสวดนะอันนี้เป็นเรื่องคนที่แบบว่าไม่มีงานทําต้องหางานมาเพิ่มใช่ไหมคนที่เขามีงานทําก็ไม่มาเสียเวลากับไอ้เรื่องพิธีกรรมต่างๆเป็นเหมือนผักชีโรยหนะ้า เวลากินอาหารเราไม่กินผักชีเราเรากินตัวอาหารนะกินไก่ทอดเนื้อทอดนะส่วนผักชีเราเขียดทิ้งเขียทิ้งไปมันเพื่อความสวยงามท่นั่นเองพิธีกรรมก็แบบเดียวกันเป็นการอาจจะสร้างภาพให้เห็นว่าบุญของเราเป็นอย่างไรเขาเลยเอาน้ามาเป็นตัวอย่าง่าบุญนี่คือน้ำน้ำที่อยู่ในภาชนะนี่คือบุญที่อยู่ในใจเราพอเราเทน้าจากภาชนะ นี่ไปสู่ภาชนะหนึ่งเราก็ถ่ายบุญจากใจเราไปสู่ดวงวิญญาณหนึดวงหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือความหมายเวลาพระสวดท่านก็ที่บายให้ฟังว่าเนี่ยการอุทิศบุญอุทิศได้อย่างไรต้องทําบุญนแล้วเวลาสวดขั้นที่สองท่านกําลังให้พร น, นก็เวลาพระสวดนี้ท่านจะแบ่งไว้สองตอนเมื่อว่ายะถาสัพเพ เวลาพระเริ่มสวดคนเดียวหัวหน้าสวดยะถาอันี้เป็นการบอกวิธีอุทิศบุญให้กับผู้ลงรับไปแล้วแล้วพอพระร่วมสวดพร้อมกันสัพพีนี้เป็นการให้พรญาติโยมผู้ที่ทําบุญเหตุนั้นเขาจึงแบ่งไว้ว่าเป็นสองสองตอนยะถ า, ายะถาให้ผีสัพพีให้คนเขาไงเวลายะถาอันี้มันเหมือนกับเป็นพูดเรื่องเกี่ยวกับคนตายเกี่ยวกับผีแล้วก็ เวลาสัพพีนี้เกี่ยวกับคนคนเป็นให้พรคนเป็นอย่างนีไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีน้าไม่ต้องมียาถาสัพพีก็ได้นถ้าไม่ทําบุญต่อให้มามีน้ํามียถาสัพพีมันก็ไม่มีบุญไปอยู่ดีมันต้องมีบุญต้องทําบุญเท่านั้นแหละที่เป็นตัวสําคัญในการอุทิศบุญถ้าไม่ได้ทําบุญแล้วมีมวลพระมาสวดยถาสัพพีก็ไม่มีบุญส่งไปเอาน้ํำมาเทมันก็ไม่มีบุญส่งไปะ ไอ้พวกน้ําพวกยัถาสัพพี น, น, นี้มันไม่มีความจําเป็นเลยเหมือนผักชีมันไม่มีความจําเป็นเลยเราไม่ได้กินผักชีเวลากินอาหารเนี่ยเรากินอาหารกินตัวอาหารเนี่ยอย่งขอให้เข้าใจอย่างนี้แต่ถ้าไปอยู่ที่เขามีพิธีก็ทําไปตามที่เขาว่าเวลาพระเริ่มยัถาแล้วก็เทน้ําไปพอพระเริ่มสวดสัพพีแล้วก็เทน้ํพพาพพให้หมดแล้วก็นั่งพนมมือรับพรไปมีสอง มีสองช่วงมีท่านนี้เองคำถามจากคุณเปญญาอุดมค่ะรูปฌานหนึ่งถึงสี่รูปฌ า, 4, ปานห้าถึงแปดคณิกะสมาธิตั้งแต่ฌานไหนถึงฌานไหนครับอับปนาสมาธิตั้งแต่ฌานไหนถึงฌานไหนครับอุปจาวรสมาธิตั้งแต่ฌานไหนถึงฌานไหนครับพวกสมาธินี้มันอยู่ที่ฌานสี่นะ คันธิกะอัปปนาอุปจาระนี่มันอยู่ที่ฌานสี่เพียงแต่ต่างกันคันธิกะมันเดี๋ยววสงบแบบงูแลบลิ้นเรียกว่าคันธิกะ ถ, ถ้าสงบยาวกว่างูแลบลิ้นก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าสงบแล้วไม่อยู่เฉยๆออกไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ก็เป็นอุปจาระสมาธิไปติดต่อกับกายทิพย์อย่างพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมต้องเข้าไปในอุปจาระสมาธิ แต่เวลาต้องการความสงบต้องการอยู่ตามลำพังพักผ่นจิตใจก็อยู่ในอัปปนาสมาธิค่ะคําคถามต่อไปจากคุณธนากรค่ะถ้าท่องพระคาถาต่างๆจนจิตสงบแล้วจะบังเกิดอภิณิหามได้หรือเปล่าครับก็แล้วแต่วาสนาคนบางคนเคยเคยฝึกมาทางนี้พอจิตสงบก็จะได้อภิญญาต่างๆถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนก็จะไม่มี คำถามที่สองค่ะการกำหนดเข้าและถอยออกฌานสามารถทำได้อย่างไรครับเพื่อให้สติต่อเนื่องกลับสาธุครับก็การมีสติไงถ้ามีสติมันก็เข้าฌานได้พอหยุดมันก็ถอยออกมาจากฌานถ้าอยากจะให้มันกลับเข้าไปใหม่ก็ต้องจรินนสติใหม่ต้องพุโทโธใหม่พุโทโธไปจนถึงจิตเข้าฌานก็หยุดพุดโทโธ แล้วพอกำลังสติหมดมันก็จะถอยออกมาพออยากจะให้กลับเข้าไปใหม่ก็ต้องพุทธโทรใหม่ค่ะคำถา ม, ถามจากคุณนกเรียนถามพระอาจารย์การที่เราหนีความไม่สบายใจแล้วก็หนีไปนั่งสมาธิเข้าวัดแล้วพอออกจากวัดความคิดก็ฟุ้งอยู่แต่สิ่งเดิมๆแบบนี้จะทำให้เป็นบ้าอารมณ์ที่ไม่สงบหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ที่เรา จะเป็นบ้าหรือไม่เป็นบ้าเพราะคนที่เขามีความสงบเขาไม่เป็นบ้าก็มีเยอะแยะไปอย่างนั้นถ้ารู้จักทําใจให้สงบที่วัดไวเราออกมาก็ทําต่อเสยทําไมไม่ทําต่อทําไมปล่อยให้มันเป็นบ้าไปทไําไมแต่เมื่อเรารู้จักทําให้มันสงบได้พอมันจะเป็นบ้าเราก็ทําให้มันสงบได้อย่างนั้นอย่าทิ้งสมาธิไม่ใช่พอจากวัดก็ทิ้งสมาธิไว้ที่บ้านเนี่ย ทิ้งชุดขาวไว้ที่ว่าเปลี่ยนชุดเขียวชุดแดงไม่ใช่เงี้มันก็เป็นบ้าได้ถ้อย่างนั้นถ้าไม่อยากเป็นบ้าก็ต้องเอาชุดขาวติดตัวมาด้วยเอาสติติดตัวมาด้วยเอาสมาธิติดตัวมาด้วยมันก็ไม่เป็นบ้านะค่ะคำถามจากคุณกมน <c oughs> เมื่อนั่งภาวนาพุทโธจนเริ่มจะสงบทุกครั้ง จะพลอยหลับไปพยายามแก้ด้วยการตามดูพุโทโธให้ละเอียดขึ้นหรือภาวนาพุโทโธถี่ๆก็หลับไปทุกครั้งกลับเรียนถามว่าควรทาอย่างไรต่อไปครับลุกขึ้นลุกขึ้นมาเดินพุโทโธดีกว่าถ้านั่งแล้วมันสบาย mm hmm. เกินไปมันก็เลยง่วงก็ ล, ลุกขึ้นมาเดินพุโทโธก่อนให้มันหายง่วงก่อนแล้วค่อยกลับไปนั่งพุโทโธใหม่อ mm hmm. เดินจงกรมแทนอืม mm hmm. แต่ไม่ไเดินเฉยๆไม่ได้เดินแบบไปช้อปปิ้งตามศูนย์การค้าเดินแล้วก็คิดปรุงแต่งไปเดินก็ควบคุมใจเหมือนตอนที่นั่งตอนที่นั่งพุโทโธอยู่เวลาลุกขึ้นมาเดินก็พุโทโธต่อแล้วใจก็จะไม่ฟุ้งใจก็จะเบาเย็นสบายพอพอร่างกายตื่นร่างจิตใจตื่นก็กลับมานั่งต่อได้หายง่วงก็กลับมานั่งต่อได้ค่ะคำถามต่อไปจากคุณสายานัน การที่จะเป็นเพ้ า, ารหันได้ต้องตัดสั่งยอดได้ทั้งหมดแล้วสมาธิจําเป็นจะต้องได้ถึงอรูปฌานด้วยไหมครับถึงจะเป็นเพ้ า, ารหันได้ไม่จําเป็นอ่ะมันเป็นโดยอัตโนมัติพอเข้าสู่ขั้นพอพ้นขั้นนาคามีไปแล้วจิตมันจะอยู่ในระดับรูปฌานอารูปฌานโดยอัตโนมัติเพราะตัวที่ทําให้จิตมันหยาบ ก, ก็คือตันกามตันหากามาราคะพอการมาราคะ ที่ทำให้จิตหยาบมันหายไปจิตก็กะละเอียดสู่ระดับรูปฌปานอรูปฌปานโดยอัตโนมัติค่ะคำถามจากคุณธิรยุทธจิตใจอย่างไรที่เรียกว่าจิตใจต่ำกว่ามนุษย์และจิตใจอย่างไรที่เรียกว่าสูงกว่ามนุษย์ครับจิตใจที่ทำบาปทำผิดศีลห้านี่ก็ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยาสริย์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดื่มสุรายาเมาเสพอบายมุกต่าง อันนี้จะทำให้จิตใจลงต่ำกว่ามนุษย์อยากให้จิตใจสูงกว่ามนุษย์ก็ต้องต้องไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำบุญด้วยถ้าไม่ทำบาปไม่ทำบุญก็อยู่ในระดับของมนุษย์คำถามต่อไปจาก YouTube ค่ะกราบพระอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีการพิจารณาอาการทั้งห้าผมขนเล็บฟันหนังอย่างไรจึงจะถูกต้องในช่วงการเจริญสติ ทำอย่างไรเมื่อจเจริญนิพพสนาคือให้ศึกษาอาการไม่ใช่เพียงแต่ห้าอาการให้ศึกษาทั้งสามสิบสองอาการให้เราทำความรู้จักกับร่างกายว่ามันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เราจะเห็นแค่อาการคือเห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ไปหลงไหลกับผมขนเล็บฟันแทนที่จะเห็นว่ามันไม่สวยงามกลับไปเห็นว่ามันสวยงาม เนีถ้าอยากจะให้มันเห็นไม่สวยงามต้องมองลึกกว่าผิวหนังเข้าไปต้องเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกพอเห็นโครงกระดูกก็ทีนี้มันเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้อยู่กับผีเนี่ว่าอยู่กับผีดิบดีๆนี่เองแต่ไม่เห็นกันมันก็เลยลหลงไหลรักกันรักรักทั้งร่างกายของเรารักทั้งร่างกายของคนอื่นแล้ว ก, ก็ทุกทุกเพราะความรักพอรักแล้วมันพอไม่ได้ ก็เสียใจทุกเนี่ยแต่ถ้าถ้าเห็นว่ามันไม่ง่ารักแล้วที่นี้มันก็ไม่รักแล้วพอมันไม่รักมันก็จะไม่เสียใจมันก็จะไม่ทุกข์นอกจากอาการห้าแล้วต้องต่อไปผมขนเล็ดฟันหนังแล้วก็ต้องดูเนื้อหนังแล้วก็ต้องดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกหยุดดูเยื่อในกระดูกดูม้ามดูปอดดูหัวใจดูตับดูไตดูลำไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ที่อยู่ในลำไส้ดูดูสมองสีรษะแล้วก็ดูน้ำต่างๆดูน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสเลดน้ำดีน้ำมันค้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำลูกน้ำไข่ข้อน้ำลูดนี่น้ำเนี่ยอาการ32มันถึงจะได้เห็นร่างกายอย่างชัดเจนว่ามันสวยงามหรือไม่สวยงามเมื่อเห็นว่ามันไม่สวยงามมันก็จะไม่ไปหลงลัก มันก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ว่าจะของใครก็ตามของเราหรือของคนอื่นก็จะไม่รักมันและไม่มาคอยกังวลนเดีย๋ยวต้องคอยแต่งผิวแต่งหน้าแต่งผมแต่งนู่นแต่งนี่หายาเสริมกินให้มันแข็งแรงอะไรว่าไปกำลังเลี้ยงดูผีดิบดีๆนี่เองต่ปคำถามต่อไปจากคุณนิพนธ์ผมฝึกสมาธิมาได้ระยะหนึ่งบางวันก็สงบ บางวันก็กว่าจะสงบก็นานมากระหว่างเดินจงกรมผมเดินไปได้สักพักหนึ่งพอเดินไปสุดทางเดินจงกรมได้ยินมองดูเทียนที่กําลังส่องแสงอยู่หัวทางเดินจงกรมเกิดคําถามขึ้นมาในใจว่าไฟเกิดขึ้นได้อย่างไรและคําตอบในใจก็ตอบขึ้นมาว่าเกิดขึ้นได้เพราะมีเชื้อไฟและก็มีคําถามต่อไปว่าจะดับไฟได้อย่างไรก็มีคําตอบขึ้นมาทันทีว่าต้องดับเชื้อไฟ ไม่เติมเชื้อไฟและปัญญาก็วิ่งไปในการเกิดดับของทักสิ่งทักสิ่งทุกอย่างพิจารณาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงผมอยากรู้ว่าแบบนี้ถือว่าเป็นปัญญาไหมครับก็ตัดกิเลสได้หรือเปล่าตัดความโลภความโกรธ ค, ความหลงได้หรือเปล่าถ้ายังโลภโกรธหลงอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้ถ้ายังอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ก็ก็เป็นปัญญาที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร เมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดับก็ต้องตัดมันอย่าไปอยากได้มันคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะพระโสดาบันยังมีความโกรธอยู่หรือไม่เจ้าคะมีมียังมีอยู่ยังมีความหงุดหงิดลำคาญใจเวลาอยากจะนอนกับแฟนแฟนไม่ยอมให้นอนด้วยก็หงุดหงิดโกรธได้คำถามต่อไปจาก <c oughs> คุณสุพานีค่ะ แม่ฝากถามว่าซื้อบ้านใหม่จำเป็นต้องทำบุญบ้างไหมคะทำบุญไม่ได้ทำกับคนไม่ได้ทำกับบ้านนะบ้านมันไม่ต้องการบุญนะบ้านมันไม่มีความต้องการอะไรทาต้องทำที่คนทำที่ใจของคนคนจะทำทุกวันไม่ใช่มาชะลอสร้างบ้านใหม่ละครั้งล้องค่อยมาทำถ้าทำอย่างนั้นใจก็ไม่มีบุญไปใจก็จะเป็นขอทานบุญไปเวลาตายไป เห็นถ้าไม่อยากจะเป็นขอทานบุญอยากเป็นเศรษฐีบุญพยายามทําบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันไม่ใช่มารอขึ้นบ้านใหม่ค่อยทําสักครั้งหนึ่งถ้าอย่างนี้รับรองได้ว่าชาติหนึ่งทําบุญได้ไม่กี่ครั้งนั่นเองพอเราจะเปลี่ยนขึ้นบ้านใหม่กันสักกี่ครั้งกันถ้ารอขึ้นบ้านใหม่แล้วตายไปมันไม่มีบุญติดตัวไปมันก็ต้องไปขอบุญจากคนอื่นเขาอยังทําบุญทุกวันไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่หรือไม่ขึ้นบ้านใหม่ทำมันไปทุกวันอื ถ้าอยากได้บุญมากก็ทํามากอยากได้บุญน้อยก็ทําน้อยค่ะคําคถามต่อไปจากคุณนรุมนจะพาลูกชายไปบวชช่วงปิดเทอมที่จังหวัดตากเกี่ยวกับต้องกําหนดเวลาไหมเจ้าคะ่ะอย่างเช่นสิบวันจะได้ไหมเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราสะดวกยังไงไงถ้าต้องเรียนหนังสือต้องกลับมาเรียนหนังสือมันก็ต้องมีเวลาที่มันจะต้องอต้องกลับมาเรียนฮะ ถ้าบวชแบบไม่เสร็จก็ไม่ต้องกําหนดเวลาอยู่ไปจนกว่าจะอยู่ไม่ไหวก็เสร็จไปก็แล้วแต่คนบวชเขาอยากจะอยู่นานหรือไม่นานก็อยู่ที่ตัวเขาอย่บวชจริงๆแล้วเขาไม่เสร็จกันถ้าบวชแล้วเสร็จก็อย่าไปบวชให้เสียเวลาเอค่ะคําถามต่อไปจากคุณปานจิต กราบทำหลวงพ่อเวลาเราทําบุญหรออธิษฐานขอพรแบบไหนถึงจะเลือกว่าขอแบบมีปัญญาเจ้าค่ะหลวงพ่ออ๋อไม่ต้องขอเลยเพราะบุญมันมีมันมีคําตอบของมันอยู่แล้วมันมีรางวัลให้เราอยู่แล้วทําบุญก็ได้ไปขึ้นไปเป็นเทวดาถ้าไม่ทําบาปด้วยแต่ถ้าทําบาปด้วยทําบุญด้วยมันก็ขึ้นขึ้นมันก็แข่งกันแย่งกันบาปก็จะดึงเราลงอบายบุญก็จะดึงเราขึ้นสวรรค์ นี่ก็อยู่ที่ว่าตัวไหนมันมีกำลังมากกว่าถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็ยังจะดึงเราไปอาบายได้อยู่ถึงแม้จะทาบุญอยู่แต่ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปมันก็ดึงขึ้นไปสวรรค์ได้ถึงแม้จะได้ทาบาปบ้างก็ตามาค่ะคทถามต่อไปจากคุณกุลาบอยากสอบถามว่าตื่นเช้ามาสวดมนต์ในห้องพระทุกวัน จำเป็นไหมคะที่จะต้องนั่งสมาธิไปด้วยถ้าจำเป็นหนูจะต้องพยายามนั่งเพราะบางทีนั่งแล้วไม่สงบเจ้าคะ่ะถ้าอยากได้บุญมากขึ้นได้ความสุขมากขึ้นก็ต้องหัดนั่งสมาธิเพราะการสวดมนต์นี่ก็เป็นการทําใจให้สงบในระดับหยาบๆแต่ยอยากให้มันละเอียดกว่าให้มันสงบมากกว่าก็ต้องนั่งสมาธิต่อ ค่ะคำถามต่อไปจากคุณสาธิมาสวดมนต์ก่อนนอนบางครั้งไม่ได้แผ่เมตตาเป็นอะไรไ้ยเจ้าคะไม่เป็นหรอกเวลาแผ่เมตตามันก็ไม่ได้แผ่อยู่ดีเพราะการแผ่เมตตาไม่ได้อยู่ที่การสวดบทแผ่เมตตามันอยู่ที่การทำเวลาเราเจอกันเวลาเจอกันนั้นตอนนั้นต้องแผ่เมตตาต้องยิ้มให้กันไม่ใช่หน้าบึ้งใส่กันมีขนมก็แบ่งกันไม่ใช่กินคนเดียว กินคนเดียวก็ไม่เมตตาใช่ไถ้ามีแบ่งให้เขากินนี่เขาเรียกว่าเมตตางั้นจะส่วนไม่ส่วนมันไม่ได้แผ่เมตตาอยู่แล้วเป็นาการส่วนนี้เป็นการสอนเป็นการเตือนใจให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตาเท่านั้นเองค่ะคำถามจากคุณกำอรปกติจะพยายามใส่บาตรด้วยมือตัวเองแต่มีปัญหาเจ็บขาทำให้ไม่สามารถไปใส่แต่ก็จัดให้คนไปใส่แทนจะได้บุญหรือไมคะได้ได้เหมือนกับใส่เองอ่ะ เองจะใสเองก็ได้ความเพียรได้บุญอีกชนิดหนึ่งเพิ่มคือความขยันแต่ถ้าให้คนอื่นใส่เราก็ไม่ได้ความเพียรแต่เราก็ได้เสียสละเหมือนเดิมเท่ากันหมดหรือยังโอเค <Okay. S 2> สุดท้ายค่ะคำถามจากคุณปานารักษ์น้อมกราบสอบถามเจ้าค่ะพอดีโยมอยู่ต่างประเทศและได้เปิดร้านอาหารจึงได้นิมนต์พระท่านมาฉันเพลงที่ร้านและได้ถวายปัจจัยทุกๆอาทิตย์เจ้าค่ะ แต่พระที่ท่านมาทานท่านไม่ค่อยสํารวมถ้าเป็นอย่างนี้โยมได้บํารุงพระพุทธศาสนาถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะแต่อีกอย่างหนึ่งคือร้านอยู่ไกลวัดนิดหนึง่งบางครั้งญาติโยมคนไทยก็ได้มาร่วมบุญด้วยนะเจ้าคะก็ศาสนามันมีหลายระดับไงระดับเปลือกระดับเนื้อถ้าเราไปบํารุงพระที่ไม่เรียบร้อยไม่ ม่สิบลบ่อยสุดก็เหมือนไปบำรุงเปลือกของศาสนาแต่ไม่ได้บำรุงเนื้อเนื้อนี้ต้องได้จากพระที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่มีกันท ร, ร ม, มีเนื้อธทรรมพระที่มีแต่นุ่งเหลือห่มเล้วก็เป็นเพียงแต่ผิวเป็นเปลือกของศาสนาก็แล้วแต่อันนี้ก็ถ้าไม่มีพระถ้าไม่มีพระจะเลือกเลยก็อาจจะต้องเอาพระแบบนี้ไปก่อน อย่างน้อยท่านก็ยังอาจจะสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราทําบุญทําทานได้แต่ท่านอาจจะไม่สอนเรื่องการภาวนาการสํารวมกายวาจาใจาให้อยู่ในความสงบเพราะท่านเองก็ยังไม่ได้ปฏิบัติท่านก็เลยสอนไม่ได้เหมือนแม่ปู่สอนลูกปู่มชแม่ปู่บอกให้ลูกเดินตรงๆนะแต่ตัวแม่ก็เดินเฉไปเฉมาพอลูกเห็นแม่เดินเฉไปเฉมาก็เดินตามแม่ไปไม่ได้ฟังที่คาสอน อย่าดูที่การกระทำเนี่ยก็แบบเดียวกันถ้ายอมมีพระแบบนี้มาปวดยอมยอมก็จะเป็นแบบพระที่มาปวดยมนั่นแหละพระไม่สำรวมยอมก็จะไม่สำรวมสังเกตดูเวลายมไปวัดที่มีพระสำรวมกับวัดที่ไม่มีพระสำรวมในโยมจะไม่เหมือนกันวัดที่ไม่มีพระไม่สำรวมยมก็ไม่สำรวมกันกระทึกคึกโคมกันแต่ถ้าไปอยู่วัดที่มีพระสารวมยมก็ต้องสารวมตามแบบเดียวกัน